เรื่องดึงออกจากพุทธไปสุดไม่ถึงคริสโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยความหนวยพรสิริสวัสดิ์ที่ปัตนมงคลความสงบเยือกเกย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการขออย่ามังเกินมีแต่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคม เพื่อนภาษาตนาและพันษาทุชนผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทำนิติท้าคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคาสั่งซ้อนในทางระศาสนาแล้ว ขอท่านนังไลจะงได้ตังออกตันแก่ฟังกันให้ดีเพื่อจะนนำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่นตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาซืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ํำมิกระทาที่จะนำมาก่าวในวันนี้ ขอให้หัวข้อว่าดึงออกมาจากพุทธไปไม่ถึงที่สุดแห่งคริสเตียนหรือจะว่าใหม่จำนวนใหม่ก็ว่าดึงออกมาจากไทยส่งไปไม่ถึงอเมริกาขอไทยอาจจะเป็นถอยคำที่ฟังแล้วมัน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 ที่จะต้องดื่มต้องใช้บริโภคอุปโภคสองฟากฝั่งแห่งลุ่มน้ําลําพองลําชีเม่น้ํามูลของเราเรือร้อนกันไปหมดบริโภคอุปโภคกันไม่ได้ทั้งหมดนี่ก็มาจากผลิตผลแห่งเทคโนโลยีผลิตผลของวิทยาศาสตร์คือตัวเทคโนโลยีแล้วมันก็มาจากการขาดแคลนธรโมโลยีขาดแคลนศาสนาและเราจะว่ากันอย่างไร และนี่พวกคนรุ่นใหม่ New Generation ฮ่าววรากำลังของชนรุ่นใหม่กำลังมองข้ามศาสนาโดยที่เป็นชาวพุทธก็มองไปเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงค์ส่วนชาวคริสต์ที่ถือศาสนาพระผู้เป็นเจ้าพระะโฮวากรดีก็ไม่เข้าใจอยู่ดีๆไม่ได้วังพึ่งพาพระเจ้าโดย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 ในศาสนาทางโลกตะวันตกทางเมืองฝรั่งมั่งค่าโดยเฉพาะอาเมริกาที่เราถือว่าเป็นสังคมชั้นแนวหน้าของตะวันตกเป็นผู้นําทั้งทางเศรษฐกิจทั้งท า, ง, ทา ง, งการเมืองอะไรต่างๆเราเห็นว่าธรรมาจากเมืองฝรั่งเมืองอเมริกาแล้วก็ดีแทั้งนั้นศาสนามาจากนู้นก็เป็นเรื่องศาสนาดีเห็นนั้นแต่ทีนี้คนรุ่นใหม่โลกได้จเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลคำสอน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 เขาก็เกิดมาจากผลิตผลทางวัตถุผลิตผลแห่งวิทยาศาสตร์มาเป็นเทคโนโลยีร้อนเขาก็ทำให้เย็นด้วยอาศัยแอร์ปรับอากาศเย็นทาให้อบอุ่นได้ด้วยเครื่องทำความอุ่นฮิสเตอร์ทั้งหลายและใครมาช่วยขขาวตรงนี้เขาก็เห็นประจกักษ์เขาก็ปฏิเสธเขาปฏิเสธหนังซื้อพิมเมืองฟล่งพาดหัวข่าว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 คอยสร้างคอยคุ้มครองคอยทำลาย God Creator God Preserve God Destroy er. แต่สมัยนี้เขาเอาวิทยาศาสตร์เป็นบระผูเป็นเจ้าของเขาแล้วเขาจึงปฏิเสธเขาบอกว่าว on ิยาศาสตออนวันเละต่อมาพุทธศาสตนะสาศาสตนาทางตะวันออกต่างๆได้หลั่งไหลเข้าไปไปทิ้นแปลคำสั่งสอนต่างๆขงเขาก็ได้อ่านกัน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 เห็นเขาก็เรียนยิ่งเรียนก็ไปก็ยิ่งลึกซึ้งยิ่งท้าทายต่อการประพฤติปฏิบัติในที่สุดก็เกิดชมรมต่างๆขึ้นมาในโลกทางตะวันตกก็ดีในอเมริกาก็ดีในยุโรปพกเด็มันมีมากขึ้นสํามนักวิปัสนาคาเดมีวิปัสนาเซ็นเตอร์ขึ้นมาทําให้ในโรงเรียนในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆก็เริ่มมีพวกแผนกดิวิชิตี้สกูลที่โอโรชการสกูลมากขึ้นนี่มันกลับกันนะก็สนใจ <c oughs> สนใจ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 แต่วัตถุนี้ก็ไม่สามารถทําให้เขาสงบระ ง, งับจิตใจทําให้เขามีความสุขที่แท้จริงได้มันเป็นความสุขชั่วแล่นเป็นความสุขที่สนองตอบความอยากหลังจากนั้นก็ลำ ง, งับลงเมื่อได้ตามอยากหลังจากนั้นก็กระตุ้นความอยากให้มากขึ้นกว่าเกา่าเพื่อจะได้สนองตอบให้ยิ่งขึ้นเดี๋ยวมันมีปัญหามากขึ้นมนพาพอเริ่มยามก็เริ่มทุกข์ในที่สุกหันมาโซ่ศาตนาทางตะวันออกซึ่งเป็นศาตนาเป็นวิทยาศาสตร์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 อันเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบอทฤษฎีสัมพันธภาพขึ้นมาจนสร้างระเบิดนิวเคลียบปรมาณูอะไรขึ้นมานะเขาก็บอกไว้ชัดว่าในอนาคตเมื่อโลกจเจริญแล้วเนี่ยถ้าขาดศาสนาไปขาดศีลธรรมไปปัญหามันจะยุ่งยากโลกจะแหลกที่น่าตายทำลายเพราะผลแห่งวิทยาศาสตร์ก็บอกว่า the m n of the future d e p e n d on m o a force of m o r a l i t แปลว่าโลกในอนาคตนั้นมันจะ อ, อยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งทางจริยธรรม d e p e n on moral force นี่คำว่าโลกในอนาคตนั้นมันจะอยู่รอดได้ที่ความเข้มแข็งหรืออำนาจแห่งจริยธรรมแห่งศีลธรรมนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่พอถ่าขาดศาสนา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 วิทยาศาสตร์คืออาศัยเหตุอาศัยผลพิสูจนได้ท้าทายได้ตรวจได้ไม่ใช่คุมคุมเครือเครือให้เชื่อตามๆมีแต่ เ, เชื่ออย่างเดียวมันขาดปัญญามันก็กลายเป็นคนตาบอดคนตาบอดมีเรื่อ ง, ม, องมีแรงแต่มันไม่เห็นอะไรเขาจึงบอกว่าริเรียนสวิตช์เอาไซอันอิสไบร์บอกว่าศาสนาถ้าปราศจากวิทยาศาสตร์ศาสนาที่ไร้วิทยาศาสตร์ก็เหมือนคนตาบอด นี่เป็นคำสลปของอันเบอร์นไอน์สไตน์ลงเห็นได้ว่าทุกวันนี้มันมันมันมีศาสนาแล้วมันขาดวิทยาศาสตร์มีวิทยาศาสตร์ขาดศาสนามันก็เลยมีคนอยู่สองประเภทในโลกเนี่ยศาสนาบางศาสนาไม่สนใจทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเปิดเผยที่จะพิสูจน์ที่จะท้าทายได้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เมื่อต้องแสงแห่งวิทยาศาสตร์เข้าไปก็อับเฉาลงมา จึงเป็นเหตุให้โลกที่เจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นมีปัญหาที่เรียกว่าคันจันทรไข้ซีส์เกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมคือปัญหาของศาสนาดั้งเดิมเขากลับมองข้ามเขาเห็นวิทย า, าศาสตร์เห็นอ่าเทคโนโลยีต่างๆเป็นที่พึ่งพาอาศัยเขาได้แต่ในที่สุดวิทย า, าศาสตร์ช่วยเขาไม่ได้เขาก็ไปเห็นอีกาศาสนาใหม่ที่ สามารถท้าทายต่อการพิสูจน์ไม่งมงายไม่เครียดดิรดสหรือไม่งมง่ายไรยเหตุผลหวังพึ่งพาสิ่งภายนอกแต่หวังพึ่งพาศักยภาพความเป็นไปได้ความสามารถโดยการฝึกฝนอบรมตนเองช่วยตนเองได้เป็นศาสนาเป็นในตัวเป็นวิทยาศาสตร์ไปในตัวอย่างนี้แหละในที่สุดเขาก็เลยหันมาสู่อันนี้พ่อแม่คนเก่าแก่ดั้งเดิมโบ ร, โบราณเขา ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอะไรอาวรณ์ถึงวัฒนธรรมเก่าของเขาที่เคยสั่งสมมาหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนแล้วเขาก็เลยลองโวยวายกันขึ้นหนังสือพิมพ์ต่างหลายกระพ่านหัวเขาว่าขันยรันคอยซีเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมเน่ยในอเมริกาก็ดีในโลกประเทศอื่นก็ดีทั้งยันก็บอกว่ายังยังยังอเมริกานเทิญอีสปอร์ตยังว่าคนหนุ่มคนสาวหันมาทางโลกตะวันออก คือศาสนาตะวันออกพุทธศาสานาเหล่านี้เข้าไปมีบทบาทจนในโรงเรียนต่างๆในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมีแผน i v วิน t y s c h o ูลที่โอ h รชิก s c h o ูลขึ้นมาแผนศาสนาแผนปรัชญาขึ้นมาบางคนก็สมสารได้นั่นไปบวชอย่างว่านั่นทีนี้หันมาดูโลกที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยของเราหรือประเทศอื่นๆที่ด้อยพัฒนาจริงๆ โลกที่กําลังอยู่ในขั้นพัฒนากําลังจะเป็นนิกหรือว่ากําลังจะถูกนอกเนี่ยก็เห็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัตถุทั้งหลายนี่เป็นเทพเจ้าเหมือนพวกฝรั่งเขาเคยเห็นมาก่อนก็ดิ้นรนเลยที่นี่บูชายากไดายาก้ยากมีอย่างเป็นวัฒนธรรมเกา่เกาๆของตอนเองก็มองข้ามทอดทิ้งหมดเรี่ยวหมดแรงคุณค่าทางศาสนาเห็นว่าคือข้าเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีช่วยอะไรไม่ได้เพราะนั้น ก็หันไปทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นนิศาสนาที่มาจากโลกทางวัตถุทางเทคโนโลยีก็เอาวัตถุนี่แหละมาเป็นเครื่องร่อใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเหลือเราทุกยากไร่เพราะเราไม่เชื่อฟังเม่นนับถือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้ากําลังมาแล้วหันหน้ามาเธอใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วพระผู้เป็นเจ้ากําลังจะมาช่วยเหลือในที่สุดก็ฮือฮากันหันไป ทั้งหมดนั้นไม่ไดไม่ได้มีความศรัทธาที่แท้จริงจากพระผู้เป็นเจ้าแต่ศรัทธาในเทคโนโลยีศรัทธาในวัตถุสิ่งของเงินทองที่เขาจะมอบให้โดยอาศัยว่าพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเหลือเราไม่ให้ขาดแค้นไม่ให้ยากจนอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มต้นมาที่วัตถุ มันมีจดหมายอยู่ที่วัตถุเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าวัตถุนั้นช่วยอะไรไม่ได้ในศาสนาคริสต์เนี่ยพระเยซูก็เคยพูดบอกกับซาตานให้เทศนาบนภูเขาที่ซาตานมาถามว่าถ้าเป็นบุปพ้ะเจ้าจริงใช่ไหมไม่เสฟภูเขาทั้งหมดให้เป็นขนมปังกินจะมาอดมาอยากทำไม สาเยซูก็ตอกหน้าเข้าให้บอกว่า even mountain become gold it is not enough f h i and my wishing บอกว่าอยา่างนี้ต่อให้ผูเขานี่กลายมาเป็นทองคำมันก็ไม่เพียงพอตอ่อความต้องการขอ ง, ของคนโลภจะกลับไปใหญ่ถึงขนมปังชีวิตที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ขนมปังอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าเพาะว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่พระธรรมอยู่ที่ เดวทนะอยู่ที่พระคำของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่พระธรรมของพระผู้เป็นเจ้านั้นมันก็หมายความว่าชีวิตที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจที่ประกอบไปด้วยคนนะุณธรรมโดยเหตุด้วยผล น, นั่นแหละไม่ใช่วัตถุมันจะช่วยได้ตลอดโทคอตายมาม า, มากต่อมากแล้วเพราะเห็นนั้นเดี๋ยวนี้เราจะ อาศัยแต่วัตถุวัตถุจะไปถือซาตนาจะเปลี่ยนใจไปนับถือซาตนาอื่นก็หวังพึ่งวัตถุว่าซาตนานั้นจะให้วัตถุแก่เราในที่สุดของเก่าตนเองที่เคยถือมาตั้งแต่พ่อแม่หลายชั่วโคนหลายชั่วคนก็เสียดายจะทอดทิ้งก็เสียดายทีนี้ถ้าจะถือเอาก็รู้สึกจะรังเกียจเพราะมันไม่ชวนมันไม่ช่วยให้ร่ำรวยก็เลยเข้าทำนองที่คนโบราณท่าอีสานของเราเรียกว่า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 เพราะว่าไปเห็นของใหม่สีสวยฉูชาตทรงดีทรงใหม่มาแฟชั่นใหม่ๆมาอันนี้จะทำอย่างไรจะทอดทิ้งก็ยังเสียดายมันจบไ อ, อนน้จะใส่ไปก็รู้สึกหน้ารังเกียจมันไม่สวยมันไม่งามในที่สุดก็เอาชุดใหม่มาสวมทับเข้าไปที่เนี่ยสวมทับเข้าไปเลยไม่รู้จะเป็นยังไงพวกฟอร์ลังนักวิชาการนักสังคมวิทยาก็ดีนักการศาสนาก็ดีนักการศึกษาก็ดีเขามา เห็นเมืองไทยวิเคราะห์โดยแล้วเขาก็บอกว่าเมืองไทยก็เกิดปัญหาแบบเดียวกันแต่มันมันมันมันค น, น, น, น oh. ละทางกันพอฝรั่งเขาเกิดปัญหาเรื่อว่าคันจัลน์ครซิสอินอเมริกันยังอเมริกันเทิร์นอีสเวิร์ดแอนด์ยังเวทเทิร์นยังยูโอเบียนเทิร์นอีสเวิร์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 แต่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่แบบชนิดที่เขาหันมาและศึกษาค้นคว้าจริงๆเหมือนพวกฝรั่งที่เขามาบวชมาเรียนมาศึกษาแต่พวกเรานั้นสวมทับลงมาเลยทีว่ว่าเกิด s u p e r i m p o s i t i o n of all alien culture on the existing one หมายความว่าเอาวัฒนธรรมใหม่ของต่างชาติมาสวมทับลงไปในวัฒนธรรมของตนเอง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 ที่นี่อีพวกนั่นก็ดึงออกมาจากไทยส่งไปไม่ถึงอเมริกาดังกล่าวแล้วอีพวกนั่นก็ออกมาจากนู่นที่นี่ไม่แน่เพราะพวกฝรั่งนั้นดึงออกมาจากคริสจะไปสู่ความเป็นพุทธนี่ไม่แน่อาจจะเข้าถึงแล้วก็เข้าถึงมาหลายคนแล้ว อย่างโรเบิร์ตซุเมโธอย่างชาคาโลเดวนี่สร้างวัดวาอารามใหญ่โตเขาถ ว, ว 400, 500, ายสี่ร้อยห้าร้อยไร่ราคาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านที่เมืองซิดฮ์เิ์ประเทศอังกฤษก็ดีที่อเมริกาก็ดีที่ออสเตรเลียที่เมืองเพิร์โอ๊ยหลายๆายแหย่งอย่างอาดามาที่พูดอยู่ตรงนี้ก็มีทุกปีที่ถูกเชิญไปต่างประเทศบางคนก็อยากถวายที่ถวายบ้าน เพื่อเป็นวิปัสนาเซ็นเตอร์แล้วไม่ต้ลงทุนสักบาทเดียวเลยแต่เขาจะลงทุนเขาเองแต่ดามาเรายังคิดว่าอยู่ที่นี่เลยดีที่สุดเขาอยากได้เขาอยากศึกษาก็เข้ามาศึกษ า, ก า, า, กษากในที่สุดเขาก็จะทํางานเพื่อศาสนาเขาเองเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมไม่เป็นประโยชน์แกผู้ใดแต่กับสังคมแก่โลกนั่นเองโลกจะสงบร่มเย็นดังที่อันเบิร์ตไอสไตพูดว่า the world of the future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 อ u l บ be Buddhism ขาไปพูดเป็นภาษาฝรัง่งมากไปไหน่อยแปลเป็นภาษาไทยว่ า, าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาตานาสากลศาสนานั้นควรอยู่เนื้อพระเจ้าที่มีตัวตนเดี๋ยวเขาใช้คำคําเนี้เขาบอกว่าอ่าทานเซนส์เพอร์เซนน์ก o d เขาว่าอย่างนี้ It choose ทานเซนส์เ person a น์กอแปลว่าควรจะอยู่เนื้อพระเจ้า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 ศาสนานั้นเมื่อครอบคุมทั้งธรรมชาติและจิตใจจึงควรมีรากฐานอยู่บนความสำนึกทางศาสนาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวงคือทั้งธรรมชาติและจิตใจวลเน a ัลแอนส์บริจูน as a meaningful unity ใช้คำว่าอย่างนี้คือทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมาย มีหนึ่งฟูนมีความหมายอย่างยิ่งแล้วยังใช้คบว่า unity คือเอกภาพหลังจากนั้นแกบอกว่าพระพุทธศาสนาตอบพ่อกำหนดนี้ได้แกแกแกแกกพูดอย่างนี้แกพูดอย่างนี้แกบอบกว่า b u d รีอ s สดิสเ i สคริสั n พุทธศาสนาตอบพ่อกำหนดนี้ได้อ f t h e เอ i เอนี้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 as a meaningful unity และศาสนาที่จะตอบข้อกำหนดรับมือความต้องการชนิดนี้ของธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติของสังคมได้ศาสนานั้นควรจะเป็นพุทธศาสนานี่ลองคิดด้วยดีๆฉฟนั้นปัญหาทางโลกตะวันตกที่หันมาศึกษาศาสนาตะวันออกที่เรวายังอ่าเวสเทิร์นยังยุโรเลีน turn to eastward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 เหมาะสมสําหรับคนบางคนทุกๆุกศาสนาจึงมีไว้สําหรับคนทุกๆุกคนที่จะให้ความเหมาะสมและกระจายได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสงบร่มเย็นไม่เบียเดเบียนแต่ถ้าขาดศาสนาไปแล้วจะเบียเดเบียนกันได้ทั้งนั้นแหละต่างทาตรงทั้งทางอ้ อ, อม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 ถิมก็เสื้อดายบายก็ขี่เดียดจ๊คเสียจางไดในที่สุดก็กลายเป็นคนเควงฟางถือพูดเก่อพูดไม่จริงเข้าคิดตก็คิีดไม่จริงอาศัายแต่เงินแต่ทองคำใจว่าเข้าไปคลีดแล้วจะได้เงินได้ทองช่วยเหลือจากองค์การจากองค์ ก, งกรจากสถาบันของศระันนะแล้วก็จะได้ให้ลูกเรียนหนังสือโรงเรียนดีๆจะได้เป็นเจ้าเป็นนายนี่หวังเอาไว้ล่วงหน้าต่างนานเมื่อไม่ได้ดังใจบ้างในที่สุดมันก็เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึง ตดึงออกมาจากพูดแล้วทรงไปก็ไม่ถึงที่สุดของความเป็นคริสเตียนกลายเป็นคนอ้างว้างว้าเวเดียวดายเป็นบุคคลชนิดที่เรียวว่าหลายใจไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความที่จะน่าไว้วางใจได้ที่นี้เราก็จะต้องมองกันต่อไปว่าควรจะทําอย่างไรถ้าศาสนาทุกๆศาสนาพยายามสั่งสอนมหาชนาศาสนิกของตนให้เข้าใจ ศาสนาของตนเองแล้วก็ออกลูกออกล้านมาให้มีความเชื่อมัน่นให้มีความประพฤติปฏิบัติตามดังคําสั่งสอนในทางศาสนาของตนตนมันก็จะมีประโยชน์อย่างในทางคริสต์ศาสนาสอนในคนรักกันทุกๆุกชาติทุกๆุกศาสนาทุกๆเผ่ า, า, พ, าพันธุ์ถ้าเชื่อว่าพระพุ็นเจา้าสร้างมาก็ไม่ต้องดุงยากลําบากที่จะไปแย่งชิงศาสนิก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 แต่พอหันไปมองอย่างโลกกระทัดิ่กว้างขวางมองโลกโดยทั่วไปประเทศที่ยากจนส่วนมากจะเป็นประเทศที่นับถือประผู้เป็นเจ้าในประเทศอินเดียเนี่ยอาดมาไปมาตั้งห้าหกครั้งพอได้ลงเครื่องบินเท่านั้นแหละโอ้ยคนขอทานเป็นหมืนม่นๆเลยไม่ว่าเป็นสนามบินบัมเบนิวเดลีออแ ก, กสนามบินตามข้างทา ง, างมีคนนอนตายทุกๆระหว่างกิโลเมตรสองข้างท า, างในเมืองคนตาย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 บางคนก็เอาหม้อไปไปหาเศษไม้ก่อไฟขึ้นน้ำตามข้างทางตามน้องเอามาต้มหาเก็บขนไก่ขนเป็ดที่เขาทิ้งเอามาต้มใส่เกลือพอได้สดน้ำามันมันทุกมันยากถึงขนาดนั้นเดินเดินไปเห็นคนคลอดลูกออกลูกข้างถนนไม่มีบ้านมีช่องให้คลอดเอาคลอดกันตรงนั้นแล้วคนตายก็เหมือนกันตายทุกๆุก กิโลเมตรที่เห็นอยู่ในเมืองแล่วก็มีคนมาเก็บเอาไปทิ้งให้แรงให้กากินดิ้งแดนแถบนี้มีเด่พระพป็นเจ้าพระพรหมพระ อ, อิศวนพระนารายตรีมูติผู้คุ้มครองผู้ทำลายาผู้สร้าง Creator God Creator God Preserve God Restore <ๆ>ก็เหมือนกันผู้สร้างพระพรหมอย่างนี้พระ อ, อิศวนพระนารายอย่างนี้ ล้วนแต่เป็นผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายมาประเทศอินเดียเรียกว่าพระพมเรียกว่าพระอิศวรพระนาลายไปประเทศอืน่นก็มีพระเจ้าองค์อื่นอีกต่อไปอย่างเนี้ไปทางคริสเตียนก็ถือว่าพระยังโฮวาพระผู้เป็นเจ้าไปอย่างนั้นทค่นี้เราก็เห็นได้ได้ชัดว่าดินแดนที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้าช่วยเขาหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าใจจืดใจดําจะช่วยให้เขายากจนด้วยกรรมโดยเวรลงโทษ ถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้พระผู้เป็นเจ้าทํางานของท่านเองแล้วนี่เราไปเที่ยวโฆษณาแย่งศาสนาการว่าพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยได้หันไปดูเอา้าหันไปดูประเทศทางยุโรปบ้างหันไปดูประเทศทางลาตินอเมริกาบ้างหันไปดูทางแอฟริกาบ้างที่นับถือพระผู้เป็นเจ้านับถือพระผู้เป็นเจ้านั่นยากจนอย่างประเทศอาร์เจนตินาโบลิเวียบาซินซิลิโกลัมเบียโดมินิกัน อย่างนี้ล้วนแด่นับถือพระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นแหละถือศาสนาที่มีว่าผู้เป็นเจ้าเม็กซิโกนิคารากัวปานามาปรักไวเปลูเวยเนซูเอลาเหล่านี้ไปดูสิยากจนแสนใจยากจนยากจนกว่าประเทศไทยต้งเจอถ้าผู้เป็นเจ้าไม่ช่วยเลยเลยแต่พระผู้เป็นเจ้าจะมาช่วยประเทศไทยที่ที่ร่ำรวยอยู่แล้วมีไร่นาซาโต้มีอยู่มีกินอยู่แล้วประเทศ ในส่วนอื่นๆในในยุโรปก็ได้เช่นอิตาลีไอแลนด์ลุกส์เบิร์กมอนตาโมนาโกอย่างนี้เซนลูเซียเหล่านี้เฮ ย, ยล้วนแต่ประเทศที่ยากจนค้นเงินไปช่วยประเทศเหล่านี้บ้างก็จะเป็นการดีสงสารเขาถ้าอาตามาเป็นพระผู้่งเป็นเจ้าอาตามาจะไปช่วยพวกเนี้ยยากจนอย่างประเทศเอธิโอเปียตายปียังเป็นล่านในแอฟริกา ประชากนส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ล้วนแต่นับถือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นอย่างประเทศคอสตาริกาคิวบาโดมิดิกันอีควา ด, ดาวเอนซินวดดาดอย่างนี้กัวเตมาลาฮายติฮอนดูัสเปอร์โตเลียวอย่างเนี้ยลุกไวฟิลิปปินสเปนแอนดอราออสเตรียเบเยียมคองโกเชโกเซเรวาเกียกินีนเอธิโอเปียโดยประเทศสุดท้ายเอธิโอเปียโอ้ย จะเป็นทุกข์เป็ยากหลายเด้อมีแต่ดังหุ่มกระดูกตายปีหนึ่งนับไม่ถ้วนตายเป็นแสนตายเป็นล้านตายไม่มีอยู่ตายไม่มีกินถ้าอาตมาเป็นพระผู้เป็นเจ้าอาตมาจะไปโปรดบุคคลพวกนั้นแหละจะไปช่วยพวกนั้นแหละแต่อาตมาเป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าได้แต่สงสารเพราะเหตุนั้นเองเราทั้งหลายก็ควรจะต้องมาทําความเข้าใจเรื่องศาสนา ถ้าท่านเป็นคริสจงเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของคริสเตียนเชื่อมั่นคำสั่งสอนของพระเยซูที่พระเยซูบ่าว่าผู้ใดสแสวงหาเกินจําเป็ น, เ ป, นเป็นบาปเก็บไว้เกินจําเป็ น, เ ป, นเป็นบาปบริโภคเกินจำเป็นเป็นบาปเพราะว่ามันจะไปเอารัดเอาเปรียบกดขี่กลมถึงคนอื่ น, นมือใครยาวสาวด่ายสาวเอาในที่สุดมันก็เกิดปัญหาแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งขู่กันทุษสวัดแย่งอํานาจกันเป็นใหญ่เป็นโต ในรี่สุก็นำศาสนาไปเข็นไปฆ่าการถ้าท่านเป็นคริสเตียนมีเงินมีทองมากเก็บภาษีเพื่อผู้เป็นถ้าผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่ปีคริสตศักราชสามร้อยสิบเอ็ดประชุมกันใหม่ไปช่วยประเทศที่ยากที่จนอย่างพวก ประเทศเอธิโอเปียคอสตาริกาคิวบาโดมินิกันอีกวีดอร์เอนซันบาร์โดกอติมาราฮายติฮอนดูรัสเปอร์โตริโกออโรกวยฟิลิปปินสเปนอันดูราออสเตรียเบนเยียมองโกเชโกสโลวาเกียกินีหุ่ยปวดไม่จบประเทศยากจนนี้ยากจริงจริงหรือม่ถ้าก็ไปนู่นอาร์เจนตินาโบลิเวียบาซินสริโครัมเบียโดมนิกันเม็กซิโกนิคารากัวปานามาปรูควายเปรูเวเนเลาไปเถิด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 สั่งระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์ขึ้นมาเอาสารถูตโตเนียมขึ้นมาผลิตเป็นนิวเคลียร์ดูดเอาแก๊สเอาน้ำมันฟอสซิลฟิวเอ็นทั้งหลายก่อขึ้นมาเผาขึ้นมาโลกให้เร่าร้อนความร้อนของโลกสูงขึ้นน้ำทะเลร้อนมากขึ้นสูงขึ้นเอาไปเอามาก็เกิดฝนตกลงมาไอหมอกไอควันจากขอไอเสียโรงงา น, น้มันลงแก๊สอะไรต่างๆกลายไปเป็นฝนตกลงมาต้นไม้ต้นล ตายหมดเอซิเตรนฝนมีพิษตกลงน้ำปลาตายพัดมาตกประเทศไทยยังไม่เข้มข้นนะักก็ทําให้ปลาเป็นบาดเป็นแผลผู้ที่สร้างโรงงานปล่อยน้ําเน่าลงไปในโรงงานปลาตายเป็นฝู้งโรงงานนั่นสร้างเครื่องจากโรงงานมาต่างๆก็มาจากประเทศพระผู้เป็นชาวนู่นแหละเราต้องมองดูให้ดีๆเพรอะเอสนั้นคําสั่งสอนของซาตนาทุกๆซาตนาขอให้เข้าถึงจริงๆเถิด เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขที่สุดเลยศาสนาทุกๆศาสนาเหมือนแม่น้ำคนละสายไหลมารวมกันอย่างความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินพัดเอาปุ๋ยเอาอะไรมาให้งอกงามแม่น้ำไม่เคยทะเลาะกันนี่ก็เมืองกันผู้เป็นพูดก็ไม่เข้าใจคำสั่งสอนของศาสนาพูดเอาไปเอามาทูโคษนา เป่าหัมมอมล้างสมองก็เาไปนหน่อยก็บอกโอ้ยพระสงฆง์เจ้ามีประโยชน์ยังบริสุทธิ์บริเฮ็ดเวียกดยังให้แก่สังคมเดยวกินไปวันวั น, วนทำประโยชน์อะไรอันนี้เราต้องมองไปไกลๆอย่าเพิ่งมองใกล้ๆเพียงแค่วัตถุพระสงฆง์เจ้านี่มีประโยชน์มีคุณค่ามีความหมายต่อศาสนาต่อสันติภาพต่อความสงบที่ใดมีพระสงฆง์เจ้าดี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 ถ้าท่านขี่ครืงบินมองลงมายัางพื้นโลกตรงไหนที่มีความเขียวอ้ข้าจีที่นั่นต้องมีที่อยู่ของพระสงฆ์หลักเป็นผู้ไม่ทํำลายเป็นผู้คุ้มครองดี๋ยวนี่คนไม่เข้าใจเมื่อพระไม่ดีก็จะไปว่าศาสนาไม่ดีนะว่าพระนั้นไม่ดีเพราะทางเข้าไม่ถึงศาสนาอัตมาวัดดีศาสนาคลิดนี่ก็ดีแสนจะดีขอให้เข้าถึงคําสั่งสอนศาสนาพูดก็ดีแสนจะดีขอให้เข้าถึงก็ให้ประพฤติปฏิบัติตาม อย่าเอาซาตานมาทะเลาะเบาแวงกันในทางที่สตนีนัท่านสอนไว้ดีมากให้อภัยทังที่สุดเขาตบแก้มซ้ายเอียงแก้มขวาเขาตบด้วยเขาฟ้องสารเอาเสื้อคลุมว่าท่นวิ่งเอาผ้าหม่มไปให้เขาด้วยอย่างนี้ไม่มีทางที่จะไปทะเลาะเบาแวงใหม่มีทางที่จะไปอย่างชิงซาตนิกจากซาตาอื่นในมวดโยฮันที่ท่านพูดท่านบอกว่าจากไม่มีผู้ใดไ ด, ได้ยินเสียงของพระ อ, องค์ข้างธ น, นหลวง พระองค์แกไม่ส่งเสียงดังพระองค์จะไม่ส่งขันสู้กับใครพระองค์แกไม่กระชากไม้ออที่หักแล้วให้ขาดออกจากกันพระองค์จะไม่ทรงบี้ใส่ตะเกียงที่ยังกุ้นกุ้นอยู่ให้ดับสนิทลงไปจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองตามนั้นนั่นไม่ทะเลาะไม่เบาแวงไม่ไปชักชวนไม่ไปทำให้ใครมาเปลียนจิตเป็นใจถือศาสนาของตนเองแล้วก็เกิดการทะเลาะกันไม่นําศาสนานี่ไปสู่สงครามก็ให้เกิดฮอลลีวูสงครามแห่งความบริสุทธิ์สงครามศาสนาเป็นไปไม่ได้ ตามคำสั่งสอนของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิลไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่จะไปทะเลาะเบาแวงเมืองกับพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ควรจะเบียดเบียนการเกิดมาในโลกนี้เป็นที่เป็นน้องกันมาตลอดหลายชาติแล้วจะทะเลาะเบาแวงกันเลยให้อภัยกันเพราะท่านสอนไม่มากแต็จ๋มากที่พวกเราไม่เข้าใจกันพระทรงทั้งที่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 แล้วก็ยังเอาใส่พาชนะอันเดียวทั้งของหวานของข่าวบุหรี่ยาเสพติดทุกชนิดเว้นขาดเราไม่เบียดเบียนสังคมเราเอาจากสังคมแต่น้อ ย, อยเราปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมและในขณะเดียวกันเราขอมอบให้แก่สังคมถิ่นทุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโต โซอหังวิจริษามิคามาคามังปุราปุรังนมสัมมาโนสัมมาสัมพุทธสัโคสนันต ส, สุธรรมตังขะน้อยทั้งหลายเที่ยวจาริกไปจากบ้านสู่บ้านจากนาครสู่นครเฝ้าหนอบน้อมในมรสการพระศาตดาเราทาั้งหลายจะไปประกาศพระธรรมอันประเสริฐของระษาตดาให้คนตั้งหลายเว้นชั่วทำดีชำระจิตให้พองไสใหม่เบียดเบียนกันอยู่ด้วยกันชั้นพี่ชั้นน้องความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่โลกนี่คือหน้าที่ของเรา พราะเหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงใช้คําว่าทักศินาหานผู้สมควรรับทักศินาหาร น, นี่คือว่าทักศิเนยโย อ, อัญชลีกัลลนิโยผู้ควรรับทักศีนาหานคําว่าทักศีนาทักศินานี่เป็นคําก่าวมานานแล้วพวกพราหมณ์ทั้งหลายเป็นเจ้าพิธีรีตองก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก่อนศาสนาพุทธพวกพราหมณ์ทําพิธีต่างๆแล้วก็รับค่าพิธีค่าพิธีเหล่านั้นมีกระทั้งหญิงสาวสวยมีกับทั้งป่านมีกระทั้ง ขอบกัวเรือนชานรถลาม้มาช่างบางทีทําพิธีใหญ่ๆอย่างอสสวเมธะอสสวเมธพระราชาในศาสน า, าพามต้องหมอ้อผู้หญิงสาวให้เป็นร่อยๆแก่าพามเรียกว่ามออพักศีนาทานแต่ในทางผู้ศาสนาต้องมาเปลี่ยนพักศีนาทานไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่พออย่างชีพอยู่ได้ไปวันๆไม่ปารถนาอะไรมากเพียงข้าววันละครั้งเดียวที่อยู่อาศัยพอได้มงได้บางเทนิยมีมสถานาะแก่สร้างให้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของโยม ก็ต้องถือว่าการสร้างนั้นไม่ได้สร้างให้ทันผูนั้นคนเดียวเดี๋ยวทันผูนั้นก็จะตายอย่างใครมาสร้างอาตมาฟ้าลา้อาตมาอยู่ในขณะนี้ช่วยกันก็สร้างให้ทันต่างรานนั่นเองพี่น้องได้มาปฏิบัติทำเป็นพันๆอาตมาไม่อยู่ถึงร้อยปีเดียวอีกหน่อยก็ตายไม่ได้เอาไปไหนก็เป็นของโลกนี่แหละทักตินาเหล่านี้ในที่สุดก็จะแปลมาเป็นของโลกของสังคมมันเป็นอย่างนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นภาษาบาลีว่าทัศน์นาสังสเกตว่าทักศีนา ได้ทรัพย์สินเงินทองของชายทั้งหลายทั้งปวงที่มีไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ที่ทาประโยชน์แก่โลกแก่สังคมคุยเราทั้งหลายได้เข้าใจว่าการมีอยู่การเป็นอยู่ของพระสอ ง, องค์เจ้านั้นมันมีประโยชน์แก่โลกแก่สังคมออกมากๆทีเดียวจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายนํามาให้แก่พระสอ ง, องค์เจ้ามีชีวิตยอยู่ไปวันๆนั้นไม่ใช่ของวิเศษเลิศอะไรหรอกของธรรมดาพออยู่ได้ เป็นสิ่งที่บริจาคให้ด้วยศรัทธาไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนหรือของตอบแทนหากจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนก็ต้องหมายถึงตอบแทนคุณงามความดีที่มีแก่โลกแต่ควรจะกล่าวว่าเป็นของบูชาคุณงความดีมากกว่าไม่เหมือนเงินเดือนเพราะว่าไม่ได้จำกัดจำคียต้องถือว่าเป็นของบูชาคุณงามความดีที่ท่านมีแก่โลกทักกีนาะในกรณีเช่นนี้แหละ มันไม่ใช่ของเพลิดเพลิงโอราเลยขอบเขตเป็นเพียงปัจจัยสี่อย่างเรียบเรียบง่ายๆพอเป็นเครื่องอาไซที่จําเป็นของชีวิตเท่านั้นพาทรงจะไม่มีส่วนเฟริร์ไม่มีส่วนเกินถ้าประสงค์ที่ถูกต้องในทางศาสนาถ้ามีก็ไม้กวานั่นแหละคือสิ่งที่จะทําประโยชน์ให้แก่โลกที่จะเวียนคืนให้แก่โลกไม่ทางตรงก็าทางอ้อม ทักกินายหรือผู้ควรแก่การทักกินาฐานในกรณีนี้ก็คือบุคคลที่ได้ฝึกฝนอบรมตนในทางความประพฤติและคุณธรรมต่างๆอย่างเพียบพร้อมเพียงพอกลายเป็นตัวอย่างแก่งชีวิตที่ดีที่งามและมีความสุขจนกระทั่งว่าแม้เพียงการมีบุคคลเช่นนี้อยู่ในโลกก็เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์คุ้มค่าอยู่แล้ว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 ของที่ให้เพื่อการดำรงอยู่ของบุคคลเช่นนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าทักกินาบุคคลเช่นนี้จะเรียกว่าทักกิเนโยผู้ควรรับทักกินาทานบุคคลเช่นนี้ย่อมทำให้ทักกินานั้นมีผลมากเพราะเป็นทักกินาที่ช่วยให้คุณทำช่วยความดีความงามของโลกเป็นตัวอย่างที่มีอยู่ที่เป็นอยู่จริงแหง่งชีวิตที่มีความสุขปรากฏในโลกได้และก็เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป บุคคลเช่นนี้จึงชือว่าเป็นผู้ควรแกทักษีนาเพราะําให้ทักษีนาทานมีผลถ้าไป็มอบให้คนอื่นมากๆมันไม่มีผลมากมันมีผลคนเดียวแต่เนี่ยมันกลับคืนสู่สังคมท่านนังหลายต้องเข้าใจนะเพราะเหตุนั้นถ้าเข้าใจหน้าที่ของพระสงฆ์เข้าใจคุณค่าของพระสงฆ์เข้าใจคุณค่าของนักด้วย แล้วจะเข้าใจคุณค่าศาสนาจะไม่ถึงขนาะที่ว่าดึงออกมาจากความเป็นไทยแล้วส่งไปไม่ถึงอเมริกาดึงออกมาจากความเป็นพุทธส่งไปไม่ถึงที่สุดแห่งคริสเตียนไม่เข้าถ้ำนองที่ว่าสิทิมกับเซดาซิบายกับชีเดียดตอนนี้ไม่อยากจะทิ้งเลยและพร้อมที่จะเคารพนับถืออย่างดีงาม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 ทางปวงครูบาอาจารย์ผู้สอนความรู้ซามันในโรงเรียนส่วนบุคคลชาวโลกยังมอบค่าตอบแทนคือเงินเดือนให้อย่างคสมควรแล้วทําไมฉะนั้นจะมอบเครื่องอาศัย ด, ดํารงชีวิตเพียงเล็กน้อยให้แก่ผู้สอนคุณงามความดีผู้เป็นแบบอย่างผู้สอนทําให้แก่โลกไม่ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันผู้ที่ทางานผลิตขึ้นมาเพื่อทําลายเห็นไหมผลิตน้ําตาลขึ้นมาขายแล้วทําลายปลาตายหมดทั้งแม่นม้ํา เป็นงานผลิตที่มีค่าแต่มันเป็นการทำลายไปในตัวไม่ว่าจะเป็นการทำลายเศรษฐกิจทำลายสภาพชีวิตสังคมทำลายสภาพธรรมาชาติทำลายความดีงามของ ม, มนุษย์ชากว่าดัเขายัางได้รับการพนาัพนเน่าพันนอเอาอกเอาใจเป็นนักเศรษฐกิจตัวอย่างอย่างโน่น อ, อย่างนี้มีผลตอบแทนฟุง้งเฟอ้อเหลือล้นได้รับโลได้รับเกียรติชนะชาโลกจะไม่จุนเจือบุคคลผู้รักษาโลกผู้รักษาคุณงามความดีให้แก่โลก ด้วยการชะลอการผลิตชะลอการบริโภคบางไม่ได้คือพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ผิดในขณะเดียวกันท่านชะลอการบริโภคบอ ก, กินหลายโลกจะผลิดมาล้นหลอแต่พระสงฆเจ้าท่านกินนิดเดียวมันเป็นการชะลอไปในตัวชะลอความที่นนาด้อยยาวให้มันช้าลงไปเรียกว่าชะลอการผลิดชะลอการบริโภคถ้าจะเปรียบเทียบ ก, กันแ ล, แล้วทักที่นัยบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้บริโภคเพียงเท่าที่จําเป็น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 ในขณะเดียวกันมันก็ต้องปล่อยน้ําเน่าลงในแม่น้มํมากมากให้ปลา ต, ตายมากๆเกให้คนบริโภคไม่ได้มากๆขึคือมันเป็นอุปกรณ์แก่กันอะไรกันที่นี้ถ้าเกิดว่าคนกินด้อยขึ้นมาละการผิดเท่าไหร่ไม่มีผู้ซื้อไม่มีผู้อะไรกินมากมันจะผิดไปทำไมจะต้องเข้าใจด้วยนะเพราะเหตุนั้นคุณค่าของศาสนาคุณค่าของพระส ง, งค์เจ้านั้น มีคุณค่ามีความหมายต่อโลกถ้าหากยังมีพระสงฆ์อยู่เดินเที่ยวไปปรากฏตัวคุณงามความดีของพระสงฆ์นี่จะคุ้มคองจะดึงดูดจิตใจคนอื่นให้อยากจะทำดีด้วยดีดูดดีชั่วดูดชั่วแม่น้ำเล็กน้ำน้อยทุกสายไหลลงไปโ่แม่น้ำใหญ่คล้อ ย, ย ล, ลงไป โ, มไปโ่มหาสมุทร คนที่มีคุณงามความดีในจิตในใจอยู่บ้างก็จะต้องคล้อยไปสู่ผู้ที่มีความดีมากกว่าพระสององค์กลวมีความดีมากสั่งสมแต่คนงามความดีผู้ที่มีความดีในใจบ้างเล็กน้อยก็จะเห็นดีกับท่านก็จะทำดีกับท่านการกระทำดีร่วมกันมากๆมันก็เคือแผ่ล้อนเลือไปสู่สังคมนี่มันจะเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านจังายได้เข้าใจเอาไว้ให้ดีๆเพราะเหตุนั้นแหละ การที่โลกนี้ยังจะต้องมีบุคคลเรืยว่าทักกิเนยโยผู้รับทักษณาทานอันลังไล้ออกมาจากการทำลายความ